96. วคาวัคะสัญญิปนรสกะว่าด้วยแบ่งพวกกันอยู่และสำคัญว่าแบ่งพวกกัน15กรณีข้อ 173. ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ในอาวาดแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นมีภิกษุที่อยู่ในาวาดหลายรูปแต่ประชุมกันสี่รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่า ยังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นที่ยังไม่ได้มาอยู่ภิกษุเหล่านั้นมีความสำคัญว่าเป็นธรรมเป็นวินยัยแบ่งพวกกันอยู่และสำคัญว่าเป็นผู้แบ่งพวกกันทำโอโบสถยกปาธิโมกขึ้นแสดงเมื่อภิกษุเหล่านั้นกำลังยกปาธิโมกขึ้นแสดงขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่าวพวกภิกษุเหล่านั้นเพิงยกปาธิโมกขึ้นแสดงใหม่ พวภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องอบัตรทุกกฎวงเล็บหนึ่งภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในาวาดแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นมีภิกษุที่อยู่ในาวาดหลายรูปแต่ประชุมกันสี่รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในาวาดพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่ภิกษุเหล่านั้นมีความสําคัญว่าเป็นธรรมเป็นวินยัย แบ่งพวกกันอยู่และสําคัญว่าเป็นผู้แบ่งพวกกันทำอุ โ, โบสถยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงเมื่อภิกษุเหล่านั้นกําลังยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดผู้อื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันปาฏิโมกข์ที่ภิกษุเหล่านั้นยกขึ้นแสดงแล้วเป็นอันยกขึ้นแสดงดีแล้วพวกภิกษุผู้มาทีหลังพึงฟังอุเทศที่เหลือพวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องอบวดทุกข์กด งเล็บภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปแต่ประชุมกันสรูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่ภิกษุเหล่านั้นมีความสําคัญว่าเป็นธรรมเป็นวินยัยแบ่งพวกกันอยู่และสําคัญว่าเป็นผู้แบ่งพวกกันทําอุโบสถยกปาติโมขึ้นแสดง เมื่อภิกษุเหล่านั้นกำลังยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอานวาสพู้อื่นมาถึงมีจานวนน้อยกว่าปาติโมกข์ที่ภิกษุเหล่านั้นยกขึ้นแสดงแล้วเป็นอันยกขึ้นแสดงดีแล้วพวกภิกษุผู้มาทีหลังเพิ่งฟังอุเทศที่เหลือพวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องอาบัตรทกุกกวงเล็บสภิกษุทั้งหลายหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้น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 มีจำนวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงใหม่พวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องอบัตรทุกกฎวงเล็บ4พอภิกษุเหล่านั้นยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงจบขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันปาติโมกข์ที่ภิกษุเหล่านั้นยกขึ้นแสดงแล้วเป็นอ น, นยกขึ้นแสดงดีแล้วพวกภิกษุผู้มาทีหลังพึงบอกปาริสธีในสํานักของภิกษุเหล่านั้น ภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องระบตดทุกกฎวงเล็บห้าขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวก อ, อื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าวงเล็บภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในวาดแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาตหลายรูปแต่ประชุมกัน4รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่า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 พวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องอบัตรทุกกฎวงเล็บ7พอภิกษุเหล่านั้นยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงจบบริษัทยังไม่ทันลุกขึ้นขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวัดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันปาฏิโมกข์ที่ภิกษุเหล่านั้นยกขึ้นแสดงแล้วเป็นอันยกขึ้นแสดงดีแล้วพวกภิกษุผู้มาทีหลังเพิ่งบอกปาริสุดที่ในสํานักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องอบัตรทุกกฎวงเล็บ8 ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนน้อยกว่าวงเล็บ9พอภิกษุเหล่านั้นยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงจบบริษัทลุกขึ้นบางส่วนขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นเพิ่งยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงใหม่วงเล็บ10ขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันปาฏิโมกข์ที่ภิกษุเหล่านั้นยกขึ้นแสดงแล้วเป็นอันยกขึ้นแสดงดีแล้ว พวกภิกษุผู้มาทีหลังเพึงบอกปาริสิทธิในสํานักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุผู้ยกขึ้นแสดงต้องอำบัดทุกกฎวงเล็บ11พอภิกษุเหล่านั้นยกปาธิโมขึ้นแสดงจบบริษัทรุกขึ้นทั้งหมดขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าวงเล็บ13บสาขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในวาดพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากันวงเล็บ14บสีขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาตอื่นมาถึง มีจำนวนน้อยกว่าวงเล็บสิบห้าวคาวคะสัญญิปนรัสกะจบ